เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำผู้เขียวไปกับคณะผู้พิพากษาจากกรุงเทพเพื่อไปดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังสภาพที่เห็นนี่ก็คงไม่ต่างจากเรือนจำต่างๆทั่วประเทศนะ ก็คือว่าแม้จะสะอาดสะอ้านนะแต่ว่าก็แออัดมีคนอยู่ก็ประมาณพันสามห้องหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่นักนะแต่ว่าแทบจะไม่มีที่ว่างเลยสำหรับการนอนคือต้องนอนกันเบียดเบียดอาุติพรานี้เรียกว่าเป็นสวรรค์เลยนะเพราะว่า ดูกันรูปเดียวนะแต่ว่ามีที่ทางนะ mm hmm. ก็เรียกว่ามีกลายเป็นโอโทงไปเลย mm hmm. ก็ได้มีอากาสไปพูดคุยกับผู้ต้องขังหลายคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษเด็กขาดแม้คำว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าเขาถูกจับเพราะว่า ถูกข้อหาให้ที่พักพิงนะแก่ผู้ค้ายาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆผู้ค้ายาคนนั้นก็หนีตำรวจมาแล้วก็มาหลบที่บ้านเขาแค่20นาทีแล้วก็ถูกตำรวจจับได้เขาเองเนี่ยโดนตัดสินจำคุก5ปี อส่วนผู้ค้ายานี่โดนสี่ปีที่โดนน้อยกว่าเพราะว่าสารภาพนะแต่เขาสู้คดีนะเพราะว่าไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรเลยนะผู้ร้ายหนีมาแล้วก็มาหลบที่บ้านเขาแต่สำนวนของตารวจก็บอกว่าเนี่ยผู้ค้ายานี่ก็มาเอายามาแบ่งนะมาพักที่บ้านเขาแล้วก็ แบ่งยาหมายถึงแบ่งยาเป็นเป็นเป็นล็อตเล็กๆ ก, กันนะที่บ้านเขาสํานวนของตำรวจนะกับคาพูดของเขาทนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาเลยนะแต่ว่าถูกตำรวจจัดยาเข้าไปห้าเม็ด ยัดยาห้าเม็ดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการล่อดซื้อด้วยนะมีมีหลักฐานชัดเจนนะเงินตำรวจที่ใช้ในการล่อดซื้ออันนี้คือสำนวนนะที่ตำรวจเขาทำแต่เขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่มาบ้านวันสงกรานตนะ์แค่3ามวันก็โดนจับไปแล้ว ก็โดนไปนะสี 4, ่ห้าปีอีกคนหนึ่งก็ว่าโดนข้อหาช่อโกงเนื่องจากพี่สาวยืมเงินคนไปหลายรายรวมแล้วทั้งหมดก็สิบสามล้านแล้วก็หนีโจทย์ก็เลยรวมหัวกันฟ้องเขากับแม่หาว่าสงรู้ร่วมคิดด้วย ก็โดนไปเท่าไหร่ห้าปีเหมือนกันทนั้งที่หาเงินมาคืนได้ครบแต่รถยนต์ผอนโทษจากแ8ดเหลือห้าอันนี้ก็เป็นปากคำของคนที่ อ, อยู่ในคุกซึ่งอย่างที่บอกแล้วก็แตกต่างจากสำนวนที่ตำรวจก็ได้ทำเรียกว่าคนละเรื่องกันเลย ความจริงเป็นอย่างไรนี่ก็ก็สุดแท้าแต่คุณเล่านะแต่สิ่งที่ น, นักโทษที่เขาพูดมาเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับเรื่องที่เราได้ยินนะมาเป็นเวลาหลายปีก็คือว่าในคุกเนี่ยมันก็มีคนบริสุทธิ์ไม่รู้อีโนโอีเนเนี่ยถูกจับกลุ่มคุมขังนี่ไม่ใช่น้อย เ, เพราะเรื่องคดียาเสพติดมีการยัดจับแล้วก็มีการยัดยาเป็นหลักฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินกันนะอยู่ บ, บ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาหลายปีลองนึกนะถ้าเกิดว่าเรา ต้องมาเจอแบบนี้บ้างไม่รู้อิน่หอินเน่อะไรแต่ก็โดนโดนจับถูกยัดข้อหาแล้วก็สุดท้ายก็ถูกสารจำคุกก็คงจ ะ, ะมีความทุกข์ใจไม่น้อยแต่จะว่าไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ย บ่อยครั้งมันก็ไม่น่าจะเกิดมันไม่สมควรจะเกิดแต่มันก็เกิดจนได้อาจจะไม่ใช่การติดคุกนะแต่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเจ็บป่วยบางคนก็ดูแลสุขภาพดีไม่แตะต้องหรือพยายามไม่แตะต้องอาหารที่มีสารพิษหรือว่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพจินอาหารชีวจิตแมคโครแบลติกข อ, อกกำลังกายเป็นประจำแต่ก็ยังเป็นมะเร็งนะขณะที่คนซึ่งสูบบุหรี่กินเหล้านะก็อายุยืนถึงเ0บปิอุบัติเหตุก็เหมือนกันนะนี่มันไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ ในชีวิงคนเราก็จะมีเหตุร้ายทำนองนี้อยู่ไม่มากก็ น, น้อยในช่วชีวิงคนเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะจะทำอย่างไรถ้าว่าเราตีโพยตีภายข่าครวนโกรธแค้นมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่า เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรไม่ได้แล้วนะก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะโดยรักษาใจไม่ให้ทุกข์อย่าไปให้้ความคิดว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันมารบกวนจิตใจเพราะถ้าคิดแบบนี้มันจะทุกข์มากคนเราทุกข์เพราะคําว่าไม่น่าจะ ฉันไม่น่าเจอแบบนี้ฉันไม่น่าทำแบบนี้หรือเขาไม่น่าทำกับฉันอย่างนี้นะไอความคิดแบบเนี้ยมันทำร้ายจิตใจหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับเรามากทีเดียวคนที่ติดคุกเนี้ยนะเมื่อวานนี้ก็ได้บอกเขานะว่าแม้ว่า เราจะถูกจับเข้าคุกแต่ก็ขอให้คุกมันแค่ขังกายเราเท่านั้นนะอย่าให้ใจเราเนี่ยติดคุกไปด้วยคุกนี่มันมีหลายชนิดนะมาชน่อที่เห็นได้ใช้คือคุกที่ก่อด้วยอิฐหรือว่าสร้างด้วยปูนอันนี้เนี่ยมันขังกายเรา ทำให้ไปไหนไม่ได้หรือว่าหมดอิสระภาพแต่ว่าคุกที่มันน่ากลัวกว่า น, นั้นมันเป็นคุกที่มองไม่เห็นมันขังใจเราคนหลายคนแม้ว่าจะถูกคุกเนี่ยคุมขังร่างกายไว้นะแต่ว่าจิตใจก็เป็นอิสระ ก็สามารถจะอยู่ในคุกอย่างมีความสุขได้เราคงได้ฟังเรื่องราวของมหาตรมครันธีหรืออย่างมาติลุทเคิงผู้นิติกคุกนี่เป็น10บครั้งนะแต่เขาก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจอะไรที่จริงเขาก็เต็มใจที่จะเข้าคุกด้วยเพราะเขาฝ่าฝืนกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมในเวลานั้น เขาอยู่ในคุกคุกก็ขังแค่กายแต่ใจเขายังสามารถที่จะคิดจินตนาการสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้มากมายในคุกนี่คานทีก็ถือโอกาสทำสมาธิปฏิบัติธรรมบางคนก็ใช้คุกนี่เป็นที่สงบสงัดเขียนหนังสือหรือว่าใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตหรือเกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติ อย่างเนลสันแมนเดลาติดคุก27สิบเจ็ดปีพอจากคุกนี่นะมีความคิดมีไฟที่จะทำอะไรให้กับประเทศชาติมากจานนั้นที่ตอนนั้นก็เกือบเจ็ดสิบแล้วหรือเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ น, นาพาประเทศเนี่ยหลีกเลี่ยงสงครามกางเมืองระหว่างคนผิวสีได้ แอฟริกาตายตเมื่อยี่สปีสาสิบปีที่แล้วนี่คนก็กลัวมากว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างผิวสีมีมากแต่ว่าแมนเดนลานี่ก็หลีกเลี่ยงได้เขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนี่เลยว่าเป็นตัวอย่างคนที่คุกนี่ขังได้แต่กายนะแต่ว่าใจก็เป็นอิสระ บางคนก็ทำผิดนะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างก็ฆ่ามาหลายคนจกนกระทั่งรายสุดท้ายเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงถูกจ้างมาให้ฆ่าผู้หญิงฆ่าเสร็จก็หนีให้ตอนที่หนีนี่ก็ทุกทรมานนะให้ทุกกาย ไม่เท่าไหร่ทุกใจด้วยตอนหลังถูกจับตอนหลังไม่ถูกจับได้ตอหลังมอบตัวเขารู้สึกผิดมันได้คิดนะตอนที่ฆ่าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกตอนที่หนีหนีตำรวจเนี่ยสองวันเนี่ยแม้ว่าตัวเป็นสละนะแต่ว่าใจนี่มันทุกมาก ก็เลยมอบตัวมอบตัวถูกตัดสินนะจำคุกตลอดชีวิตแล้วแล้วก็ต่อหลังก็ลดโทษก็าบอกเขาอยู่ในคุกนี้สบายใจก็พูดเล่นนะมองว่าเนี่ยตอนนี้หนีมาเนี่ยสองวันกินข้าวมื้อเดียวแต่อยู่ในคุกนี่ทุกวันเนี่ยมีข้าวกินสามมือ้อคือเขาพูดด้วยความสบายใจ ขบายใจที่ว่าได้ชดใช้ความผิดก็รู้ว่าผิดนะแล้วก็ยอมมอบตัวแล้วก็รับโทษทันด้วยความเต็มใจถือเป็นการชดใช้ความผิดแล้วเขาอยู่ในคุกอย่างมีความสุขพอสมควรเพราะว่าใจมันไม่มีความรู้สึกผิดติดค้างเท่าไหร่แล้วจริงตอนหลังนี่มาทํากิจกรรมที่เรียกว่าปั้นพระนะปั้นพระ มีมีคนนี่เอาโครงการที่ไปให้คนคุกทำแล้วคนที่ดิกคุกก็มีความสุขนะพอได้ปั้นพาจิตใจเขาก็สบายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลก็เลยมีความสุขนะแม้ว่าตัวเนี่ยจะติดคุกอันนี้ดีกว่าคนที่ข้างนอกเนี่ยนะเป็นสระ ไม่มีคุกขังกายนะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ว่าใจเนี่ยมันถูกขังคุกของใจนี่มองไม่เห็นนะแต่ว่ามันสร้างความทุกข์ทรมานมากมันได้แก่อะไรมันก็ได้แก่อารมณ์นะความโกรธความเครียดแค้นพยาบาทความเศร้าความรู้สึกผิด อันนี้เป็นคุกของใจนะที่แน่นหนามากมันทำให้คนเราเนี่ยนะไม่สามารถจะมองไปข้างหน้าได้ไม่สามารถจะมีความสุขเหมือนคนอื่นได้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่จิตเนี่ยไปหลงติดอยู่กับอดีตในอดีตที่มีเหตุการณ์ที่เครียดทำให้เครียดแค้น ถูกทำร้ายถูกโกงบางคนนี่ถูกโกงเงินไปสามหมื่นสิบปีแล้วก็ยังไม่หายแค้นนะไม่หายโกรธเวลามาปรึกษาก็จะพูดแต่เรื่องนี้แหละ ท, ท, ทั้งที่กินอิ่มนอนอุ่นทั้งที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไร ทั้งทั้งที่เงินที่หามาได้หลังจากนั้นก็มากกว่าสามหมืนไม่รู้กี่เท่าแต่เขาก็ยังใจก็ยังจมอยู่กับความโกรธนะเขาหารู้ไหมว่าไอ้ความโกรธมันทำให้เขาทุกข์เนี่ยหรือทำให้ความสุขก็หายไปถ้าตีค่าเป็นตัวเงินมันก็คงเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะ มันมากกว่าเงินที่เขาถูกขโมยสิหรือถูกโกงสิบางเขก็จมอยู่ในความเศร้านะอาจจะเพราะในอดีตถูกพ่อแม่กระทำไม่ให้ความเป็นธรรมหรือว่าเป็นเพราะว่ า, าชีวิตตกรกรรมลำบากตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังจมอยู่กับความเศร้า ใจที่มันจมอยู่กับอดีตเนี่ยนะมันก็เหมือนกับใจที่ติดคุกนะนะมันสร้างความทุกข์ยิ่งกว่าคนที่เขาอยู่ในคุกแต่ว่าใจเ็เป็นอิสระความรู้สึกผิดนะก็เป็นอีกอันหนึ่งนะมันเป็นเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้ไม่สามารถจะเปิดรับนะความสุขต่างๆได้ คนมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาแม่ป่วยเป็นเบาหวานเขาก็ไม่ค่อยดูแลใจใสเท่าไหร่ไม่รู้เปเพราะว่าหมกมุ่นกับงานหรือว่าเพลินกับการสนุกสนานหรือจะคิดว่าพ่อหรืออาจจะอาจจะคิดว่าแม่นี่จะอยู่ได้อีกนานแต่พอแม่ตายเขาก็เสียใจรู้สึกผิดแล้วเขาก็พยายามทำร้ายตัวเอง เวลาเป็นเบาหวานต่อมาเป็นเบาหวานเขาก็ไม่ยอมกินยาไปหาหมอเนะี่ยหมอให้ยาแต่ไม่ยอมกินแล้วก็ร่างกายก็ทรุดลงไปเรื่อยๆหมอก็ดา่าทาไมไม่กินยาแต่พยาบาลนี่เขาผิดสังเกตก็เลยไปพูดคุยซักถามก็เลยรู้ว่าอ๋อเจ้าตัวนี่รู้สึกผิดที่ทำให้ ที่ไปให้แม่ตายนะเพราะเบาหวานก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองตายเพราะเบาหวานบ้างมันก็จะเป็นการชดเชยความผิดอันนี้ก็เรียกว่าไม่ฉลาดนะแก้ปัญหายังไม่ฉลาดเพราะว่าใจเขาจมอยู่กับความรู้สึกผิดยิ่งคู่ของใจที่มันที่มันน่ากลัวกันนั้นนะก็คือไอก้กิเลสนี่แหละความโรคความอยาก ถ้าคนรอถ้ามันติดนะหลงในทรัพย์นะหรือว่ามีความโลภในวัตถุเนี่ยมันก็มันก็ติดคุ ก, กันนะมันคิดแต่เรื่องของการหาเงินหาทองแล้วก็เวลาเงินทองล่อยหลอหรือว่าสูญ เ, เสียไปก็ทุกข์เสียดายกลุ่มใจตันหาอุปาทานเนี่ยเป็น เป็นคุกของใจที่มันน่ากลัวมากซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีกับทุกคนนะนะคนเราถ้าต่เรยังปล่อยให้ตัณหาอุปาทานนี่มันแน่นหนาเนี่ยก็มันก็ติดคุกที่แน่นหนาไม่สามารถที่จะมีความสุขกับอะไรได้ง่ายๆชี่มันรุ่มร้อน อุปาทานนี่คือความยึดติดนะยึดติดในทรัพย์ยึดติดในชื่อเสียงยึดติดในหน้าตาหรือแม้ทางยึดติดในความคิดเนี่ยเราไปยึดมันมันก็ยึดเราเลยคนที่หลงในเงินนะเงินเป็นของกูเป็นเงินเป็นของกูนี่ทันทีเลยนะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยเราไปยึดอะไรก็แล้วแต่นะ หยุด่าเป็นของกูของกูเมื่อไหร่เนี่ยเราเป็นของมันทันทีเลยแม้แต่ความคิดอุดมการน์มันก็ขังใจเราได้นะคือทำให้ความคิดคับแคบใครที่คิดต่างจากเราก็เห็นเป็นศัตรูหรือเกลียดชังเขาไม่เปิดรับนะสิ่งที่จะทำให้เรานะมีปัญญามากขึ้น อันนี้คือคุกของใจที่เกิดกับทุกคนก็ว่าได้เกิดกับพวกเรากันทั้งนั้นอันนี้น่ากลัวมากฉะ้นถ้าเราต้องการมีความสุขต้องการให้ใจเป็นอิสระเนี่ยก็ต้องอพยายามรู้เท่าทันซะก่อนนะว่ามันมีคุกชนิดนี้ไอ้คุกที่น่ากลัวคือคุกที่มองไม่เห็นคุกที่เราคิดว่ามันไม่มี ไอ้คุกที่สร้างโดยอิดก่อได้ปูนเนี่ยมันไม่เคยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันขังได้แต่ร่างกายอีกอย่างหนึองเราก็ร่วมเป็นคุกเราก็พยายามที่จ ะ, ะมาปรับตัวปรับใจไม่ให้ทุกข์แม้จะถูกขังอยู่ก็ตามแต่ถ้ามันมีคุกแล้วเราไม่ร่วมมันมันคือคุก ไม่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าเพราะมันทำให้เราประมาททาให้เราตายใจฉนั้นการที่เราตระหนักนะเสียก่อนว่ามันมีคุกอย่างนี้อยู่นะคุกที่ขังใจเราเอาไว้ที่ทำให้ไม่เป็นอิสระบางทีมันเป็นเป็นเหมือนกับคุกที่ทำด้วยกระจกนะบางทีนกเนี่ยมันหลงเข้าไป ในศาลาศาลาน้ำเนี่ยมันก็พยายามออกเนี่ยมันเห็นหน้าต่างมันก็พยายามออกไปทางนั้นแหละแต่มันก็ชนหน้าต่างแล้วมันก็พยายามบินแต่ไปทางนั้นน่ะทั้งที่หน้าต่างปิดมันเห็นแสงสว่างมาทางน้าําก็นึกว่ามันเป็นที่โล่งก็บินก็ไป up, ชนหน้าต่างชนหน้าต่างทร่จริงประตูเปิดนะแต่มันไม่ไป มันจะไปแต่ทางหน้าต่างซึ่งปิดนะนี่คงเหมือนคนเรานะถูกขังอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นก็พยายามฝ่าไปแตฝ่าไม่ได้คนที่ต้องการให้ใจมีอิสระแต่ว่าถ้ายังปล่อยให้ใจมันหลงจมอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานนะความยึดติดถือมันนันก็ไม่เป็นอิสระสักทีแล้วก็บ่นว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุข เตาไปคิดว่าที่ไม่มีความสุขเพราะยังมีเงินน้อยไปนะก็หาเงินหาเงินหาเงินหาเงินได้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุขก็ยังคิดว่ายังสุขน้อยไปก็เลยดิ้นล่นหาอีกอันนี้ก็ไม่ต่าง่างนกที่มันวิ่งบินชนหน้าต่างนะมาคิดว่านี่แหละคือความสุขเนี่นอคืออิสระ แต่ชนเท่าไหร่ชนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอิสระทั้ทีเพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่ตระหนักว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ขังมันเอาไว้ทางออกนี้มีนะแต่มันไม่สนใจเพราะมันปักใจเชื่อว่าเนี่ยออกทางนี้แหละออกทางนี้แหละให้คนฉลาดเนี่ยนะแต่ว่าชีวิตไม่พบความสุขจิตไม่เป็นอิสระก็เพราะว่าเนี่ย ก็ไปหลงคิดแต่ว่าเนี่ยไม่มีความสุขเพราะเงินยังมีน้อยไปขนาดมีเงินพันล้านหรือหมื่นล้านแล้วยังคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่า น, นี้จะมีความสุขนะคือไม่ไอความคิดแบบนี้มันขังตัวเองรนาะไม่ไม่สามารถที่จะมองหาทางออกทางอื่นได้เงกุนะของใจต้องระวังนะเราก็ต้องมันสำรวจตรวจสอบใจของเรานะ มันมีความหลงความยึดอะไรไหมไอสิ่งที่มีสเสน่ห์นะมันชวนให้เราหลงไหลเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยนะมันกลายเป็นคุกที่ขังใจเราไว้เพราะเราพอไปยึดมันมันก็ยึดเราทันทีเลยก็ขาดอิสระที่จริงนอกจากคุกของกายและคุกของใจ นอกจากคุกที่ทำด้วยอิฐและปูนแล้วก็คุกที่เป็นตัวกิเลสและอารมณ์มันยังมีคู่ชนิดหนึ่งนะเป็นคุกที่ทำด้วยเนื้อนะคือบางครั้งเนี่ยร่างกายเราก็สามารถจะเป็นคุกขังเราได้คนที่เป็นอมตพึกอมตามพ่านนอนติดเตียง หรืคนที่ป่วยได้โรคบางชนิดที่ทําให้ร่างกายขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้แต่สมองยังเหมือนคนทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุกชนิดหนึ่งนะแล้วก็คนเราเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะติดคุกชนิดนี้ไดนะ้บางคนนะพอป่วยพอโรคหลอดเลือดสมองนะหรือเซลล์ในสมองแตกเป็นอมัมพฤก เป็นอัมพาตนี่ร่างกายก็เป็นคุกเลยหรือบางคนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเส้นประสาท ต, ตั้งแต่คอลงมามันขาดนะร่างกายก็เป็นคุกทันทีเลยไปไหนไม่ได้หรือที่หนักกว่านั้นก็เรียกโรคล็อกอินซินโดรมนะคือโรคที่ประสาทในร่างกายมันเสียหมดเลย อาจจะเกิดจากการกระทุกกระทแทกจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่สามารถจะขยับเนื้อขยับตัวได้ไม่สามารถแมาแต่จะพูดได้อาจจะ ก, กินกินอาหารได้นะหลับตาลืมตาได้แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้หมดกัดก็ปัดไม่ได้ยุงกัดก็ต้องทนเอาจะบอกสุขบอกทุกจะเล่าอะไรใครฟังก็เล่าไม่ได้ อันนี้น่ากลัวมากมีคนเป็นโรคนี้เยอะนะแต่บางคนนี่ก็พบว่าร่างกายแม้จะถูกขังด้วยด้วยตัวเองนะแต่ใจก็เป็นอิสระได้นะมีนักเขียนคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเจอโรคนี้เข้าไปขณะที่ยังแค่สี่สิบกว่าแต่เขาก็สามารถเขียนหนังสือได้ด้วยการกระพริบตา ให้พี่เลี้ยงเนี่ยจดทีละทีละอักษรทีละอักษรแล้วก็ที่เขาเขียนนี่ก็เป็นหนังสือขายดีมันไม่มีซุ้มเสียงของความทุกข์การกลดด่าชะตากรรมนะมีแต่อารมณ์ขันน ะ, ะก็นับว่าเก่งดีเดียวทั้งที่ไม่ใช่นักปฏิบัติทาแต่เขาก็รับษาใจไว้ได้ บางทีเราก็ต้องเผื่อนะไว้นะว่าอาจจะต้องเจอแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคล็อกอินซินโดรมนะแต่พอเจอโรคอัมาพาตก็หรือพิการเนี่ยให้ร่างกายนี่งกายเป็นคุกขังเราทันทีเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะมันขังได้แต่กายนะแต่ว่าไม่สามารถจะขังใจได้ถ้าเราไม่ยอมร่วมมือด้วยใ้ถ้าเรา นะฝึกจิตฝึกใจเอาไว้เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่บนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายยอมรับมันการไม่ยอมรับการปฏิเสธการผักใสยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคุกแบบหนึ่งนะมีผู้ป่วยมะเร็งซึ่งตอนนี้ก็ตายไปแล้วเธอก็อายุสามสิบเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเจนนี่ที่เกิดขึ้นกับคนแก่ส่วนใหญ่ตอนที่เป็นนี่เธอทุกข์มากเลย อายุเพิ่งสาสิบชีวิตก็กำลังรุ่งโรจนะ์เวียงวีนใส่หมอใส่คนรอบข้างแต่ตัวหลังใจก็สงบเมื่อหันมาปฏิบัติธรรมหันมาดูจิตดูใจของตัวก็พบว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับใจนะที่มันไม่ยอมรับความจริงอย่างที่เธอบอกว่าเขียนว่าเนี่ยความจริงบางครั้งมันโหดร้ายนะ แต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือการไม่ยอกรับความจริงการไม่ยอกรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราไว้ไม่ยอกรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ขังใจเราได้เหมือนกันนอกจากใจที่มันไปติดอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตหรือใจที่มันไปหัวพะวงพะวงหรือว่ากังวลกับอนาคต อดีตก็เป็นคุกขังใจได้อนาคตนะที่ปรุงแต่งสร้างภาพมโนขึ้นมาก็เป็นคุกขังใจได้นะกิเลสตัณหาอุปาทานก็เป็นคุกขังใจได้แต่ถึงแม้เราจะยังไม่สามารถจะลดหรือเลิกละกิเลสตัณหาอุปาทานยังไปปุถุชนแต่เราก็สามารถจะฝึกใจให้ยอมรับความจรงิงที่เจ็บปวดได้ เมื่อเรายอมรับนะนเราไม่บน่นไม่โไวยไวายไม่ตีโพยตีพายเนี่ยมันก็มันก็กล้าออกจากคุกแล้วนะคุกที่ขังใจเราอย่างหนึ่งก็คือคุกที่ไม่ยอมรับความจริงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียหรือแม้กระทั่งเวลาต้องเจอคนที่ไม่ชอบ เจองานนะที่ไม่ถนัดหรือเยอะเนี่ยหลายคนเนี่ยตัวเป็นอิสระแต่ใจมันอยู่ในคุกเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นหรือที่ปรากฏแก่ตัวแต่พอยอมรับมันได้ปุ๊บเนี่ยใจมันโล่งเลยแล้วก็สามารถจะมองไปข้างหน้าได้ อาล่ะชานี่ก็พกัเท่านี้อ่ะกราบพระ